เพรจริงๆเนี่ยผู้เจ้าท่านสอนไว้เหมือนกันเขาเรียกว่ามหาประเทศนะมันเป็นสูตรที่เรียกว่ามหาประเทศอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรนะเข้าได้กับสิ่งที่ผู้เจ้าท่านห้ามห้ามเอาไว้เนี่ยแม้อันนี้ไม่มีมาก่อนแต่มันเอาไปเปรียบเทียบแล้วมันเข้าได้กับสิ่งที่ห้ามห้ามเอาไว้สิ่งนั้นก็ไม่ควรเพราะนั่นอันนี้จะต้องฉลาดอันนี้จะต้องเข้าใจ แต่ภาษาคตานี่ปรากฏว่าแหมเขานิมนต์นิมนต์ท่านก็เรียบเลยนะดื่มทุกบ้านเลยขั้นเวลาคือท่านท่านไปบินทะบาดใช่ไหมเนี่ยขั้นเวลาขากลับออกจากเมืองคือไบินทะบาดเข้าไปในเมืองบินทะบาดเสร็จก็กลับออกจากเมืองก็เมาสุลาจนเดินทรงกายไว้ไม่อยู่ก็นั่นน่ะสิแหมปรากฏว่าพอ พลนออกเมืองมานะทรงกายไม่อยู่แล้วล้มกิ้งนอนฟุบอยู่ตรงประตูเมืองนั่นเองเสร็จเสร็จหมดท่าเลยตอนนี้พอดีโอโหประจวบเหมาะซะด้วยที่พอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับทางประตูเมืองนั้นพร้อมด้วยภิกษุอีกเป็นอันมากได้ทอดพระเนตรเห็นภาษาคาถล้มฟุบอยู่ที่ประตูเมืองจึงรับสั่งกับภิกษุว่า ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงช่วยกันหามเอาท่านสากตะไปแม่เสียจริงๆเลยนะงานนี้ภิกษุเหล่านั้นพากันหามพระสัตะกลับคืนสู่อารามแล้วให้นอนหันศีรษะไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่อะไรอะพวกเราน่าจะมีสติไว้นะอันเนี้ยแม้พระสาลีบุตรเองก่อนนอนทุกคืนเนี่ย ภาษาลีบุตรเนี่ยถ้ารู้ว่าพระอัสสชิอยู่ในทิศไหนดูนะภาษาลีบุตรไม่ได้ไม่ได้นึกพระพระพุทธเจ้าอยู่ทิศไหนนะแต่นึกว่าพระอัสสชิเนี่ยอยู่ทิศไหนก็จะนอนหันทษศไปทิศนั้นไม่ได้หันไปทางพระพุทธเจ้าเพราะอะไรใครจําได้บ้างเพราะพระอัสสชิเนี่ยเป็น ผู้ที่ภาษาลีบุตรเนี่ยมาเจอก่อนแล้วก็เป็นผู้บอกเป็นผู้แนะนำให้ภาษาลีบุตรเนี่ยแหละไปพบพระพุทธเจ้าหน้าที่ภาษาลีบุตรมาถามอ่ะท่านเป็นลูกศิษย์ใครใครเป็นอาจารย์ของท่านอะไรต่างๆนะโอ้โหท่านบรรลุธรรมหรือว่าผ่องใสหรือว่าอะไรเนี่ยด้วยด้วยอะไรยังไงเนี่ยพระศิษย์สอนไม่เก่งเป็นผู้ที่พูดไม่เก่งแต่มี มีบุคลิกมีลีลาที่ส ง, สงบสํารวมสุภาพเรียบร้อยดีด้วยเพราะฉนั้นเป็นอาการที่พระส า, ารีบุตรก็ขาดด้วยนะเพราะฉะนั้นภาษาลีบุตรเนี่ยพบก่อนด้วยแล้วก็โอ้โหอันนี้แหละเหมาะสําหรับท่านด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยก่อ น, นอนทุกคนืนท่านก็จะลึกถึงภาสสะชีเท่ากับร ล, ลึกในสิ่งที่ ท่านขาดอยู่แหะท่านจะได้มาเติมให้เต็มท่านจะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นแต่ตอนนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนประเพณีเป็นเหมือนกับอันอันนี้อาตมาว่าดีนะเห็นไหมภิกษุอื่นเนี่ยพอมาจับให้ท่านภาษาคาตะเนี่ยท่านมานอนเนี่ยพระเจ้าอยู่ทิศไหนก็หันไปนอนทิศนั้นอาตมาเองก็พยายามเหมือนกันนะพยายามไอ้นั่นอยู่ ว่าถ้าบางทีเนี่ยไปไหนหรืออะไรอย่างแยะอย่างเช่เนี่ยไปงานปลูกเสกนะ ก, กางโกดกลางอะไรนอนแต่นี้มันมีบริเวณใช่ไหมมีที่ที่พอให้เราหันนอนที่ไหนก็ได้เนี่ยอาตมาก็จะดูเหมือนกันว่าเออพ่อท่านอยู่ที่ทิศไหนพ่อท่านอยู่ที่ไหนเราก็หันศีรษะไปทิศนั้นก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <k> <k> พยายามฝึกว่าเออเราก็นาที่จะเคารพกูบาอาจารย์นะผู้ที่เหมือนกับว่าให้ธรรมะกับเราอะไรอย่างนี้ ฝึกไว้ถ้าบางทีอยู่บ้านเราก็อาจจะใช้ได้พ่อแม่แหมไม่รู้ว่านอนกนละห้องหมนะืนะน่าอยู่ทิศไหนเราก็เออระ ล, ลึกถึงนะเป็นความกระตันยูอย่างหนึง่งอย่างเงี้ยเราก็ระ ล, ลึกถึงแล้วก็หันศีรษะไปทางทิศนั้นอันเนี้ยมันช่วยช่วยในเรื่องของจิตสํานึกนะเพราะนั้นอันนี้อาตมาว่าน่าฝึกฝนเหมือนกันนะถ้าใครทําได้ก็น่าจะทําเสร็จแล้วตอนนี้อ่าวพอภิกษุพวกนี้ หันศีรษะท่านภระสาคตะไปในทางพระพุทธเจ้าแล้วพระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นได้ตรัสถามกับหมู่ภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านสาคตะปกติมีความเคารพเรามีความยังเกงเราตถาคตไม่ใช่หรือคือคือเห็นภิกษุเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะเอาท่านภระสาคตะเนี่ยหันศีรษะไปทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นเห็นการทําแสดงความเคารพอันเนี้ย พระเจ้าก็เลยถามพวกพิสุว่าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยภาษาคตะเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้าใช่ไหมถามพวกพิสุพวกพิสุก็ตอบว่าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะก็แล้วบัดนี้ท่านสาคตะมีความเคารพเรามีความเขายำเกรงเราตถาคตอยู่หรือคือถามสภาพตอนนี้ว่าภาษาคตะเนี่ยยังเคารพเราอยู่หรือเปล่าเคารพไหม ถ้าถ้าเราตอบนี่เราจะตอบไงตอบพระพุทธเจ้าไงออพิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าคข้าออพิษสูต่งหลายก็ตอบอย่างนี้เหมือนกันก็ท่านสาคตะทันทีพุทธเจ้าท่านก็บอกก็ท่านสาคตะเป็นผู้มีฤทธิ์มากสามารถต่อสู้กำรับนาคที่ท่าอัมภะได้ไม่ใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ท่านสากตะสามารถสู้ได้แม้กับงูเล็กๆสักตัวหรือไม่ โอ้โหนี่เป็นการสอนคือตอนนี้ภาษากตามไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าเมาหลับไปแล้วแต่ตอนนี้ผู้เจ้ากำลังพูดกับภิกษุอื่นเนี่ยกำลังสอนให้ภิกษุอื่นฟังว่าตอนนี้โอ้โหภาษากตานี่ฤทธิ์ยอดเยี่ยมสามารถปราบหน้างูใหญ่นี่ได้แต่ตอนเนี้งูเล็กๆสักตัวเนี่ยปาบได้ไหมโอ้โหจริงๆเจ็บมากเลยนะัเนี่ยถ้าภาษากตาได้ยินโอ้โหจะเจ็บปวดมากเลยลนะ่ะ ภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายน้ำที่ดื่มเข้าไปแล้วมึนเมาถึงแกวิสัญญีภาพวิสัญญีแปลว่ า, านะห้องที่เขาดมยาสลบอะ่ะนะเขาเรียกห้องวิสัญญีใช่ไหม ดูก่อพิสูจทั้งหลายน้ำที่ดื่มเข้าไปแล้วหมึนเมาถึงแก่วิสันยีภาพนั้นควรดื่มหรือไม่ไม่ควรดื่มพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตำหนิภาษาคตะว่าฉะนั้นการกระทําของท่านสาษคตะจึงไม่เหมาะไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําไม่ควรดื่มน้ําที่ทําให้ผู้อื่นเออ ไม่ควรดื่มน้ำที่ทำให้ผู้ดื่มเมาไมา้การกระทำของท่านสาคตะนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดดื่มสุลาและเมรัยภิกษุนั้นต้องอาบัตปาจิตตีบัญญัติเลยนี่เพราะเพราะต้นเหตุ ภาษาคตะนี้เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้พระเจ้าก็เลยตั้งวินัยขึ้นมาเลยนะว่าถ้าพระภิกษุนี่ไปดื่มสุลาเมลยัยในนี้มีสองอย่างว่าสุลาและเมลยัยเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ต้องไม่เหมือนกันถูกไหมพระเจ้าท่านใช้คําว่าสุลาและเมลยัยแต่ของเราเราเราไปใช้รวมกันเลยใช่ไหมส่วนใหญ่เราได้ยินอ่ะสุลาเมลยัยสุลาเมลยัย วันในที่นี้เนี่ยเท่าที่จะมาค้นมาเนี่ยสุลาเนี่ยเขาหมายถึงว่าน้ำเมาที่ ท, ที่กลั่นมาน้ำเมาที่ใช้วิธีกลั่นมาส่วนเมลัยเนี่ยคือน้ำเมาที่ใช้หมักใช้แช่มาพอพอจะเข้าใจมเนี่ยสุลานี่กลั่นมาหมายถึงอะไรไปต้มใช่ไหมไปต้มไปอะไรมานั่นวิธีการหนึ่งเรียกว่าสุลา เหมือนไอไอโรงงานสุราเนี่ยแหละที่เขาทำทำเนี่ยแบบเป็นระบบแบบอุตสาหากรรมอะ่ะใช่ไหมเขาก็ส่วนใหญ่ก็ใช้แบบสุราเนี่ยใช้แบบกันเอาแต่พวกเมลัยนี่พวกอะไรพวกชาวบ้านเนี่ย <laughs> ชาวบ้านใช่ไหมอา่าไปใช้ไอมาไออะไรนะตาลบ้างใช้อะไรนะข้ขาหมักใช้อะไรบ้างะหลายอย่างเนี่ยใช้ข้าวเนี่ยนะที่ใช้แช่เอาใช้อะไรเอเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกเมลยัย นะแล้วผู้เจ้าก็เลยบัญญัติห้ามเลยแต่ถือว่าเป็นอาบัตเบานะไม่ถือว่าเป็นอาบัตหนักแต่ทุกวันนี้ เ, เขาเรียกว่าชาวบ้านติเตียนโลกับวัดชะแปบลบว่าชาวบ้านถือสามากเพราะนั้นทุกวันนี้นะไม่ถือว่าเป็นอาบัตเบานะหมายถึงว่าโดยโดยสภาพสังคมทุกวันนี้ถ้าพระไปกินเหล้าโอ้โ ห, หชาวบ้านถือสามากแต่เป็นแต่ก่อนเนี่ยทไม ทำไมผู้เจ้าตั้งแค่เป็นอาบัติเบาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยกินกันหรอกจะไม่ค่อยกินกันหรอกอ่จะไม่ค่อยมีเพราะว่าจะรู้ว่ามันไม่ควรอเพราะรู้อยู่ว่ามันมึนเมาแต่สมัยนี้เราถือว่าหนักพราะนั้นบางทีเนี่ยเขาจับศึกเลยทั้งๆ ท, ที่จริงๆเนี่ยถ้าเอาตามธรรมวินัยนี้จริงๆ แค่เมามานี่นะไม่นะมาบอกปรงอาบัตแค่มาพูดว่าเาไปทําผิดมาแล้วเมื่อคืนไปกินเหล้ามาเมาผมขอปรงอาบัต <c oughs> จบแล้วนะแค่เนี้ผมก็ปรงอาบัติผมจะไม่ทําอีกแล้วครับเนี่ยจบแล้วก็ถือว่าบริสุทธิ์แล้วถือว่าพ้นแล้วนะมาเปิดเผยกับเพื่อนพิสูตแล้วก็จะไม่ไปทําผิดอีกแล้วแค่เนี้ยหมดแล้วห ล, หลุดจาก ความผิดนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าโปรงอาบัตโปรงนี่แปลว่าทําให้ตกล่วงไปอาบัตแปลว่าความผิดอืวันปรงอาบัตก็คือทําความผิดที่มีน่ะให้มันตกล่วงไปซะอตอนนี้พอพระผู้เจ้าท่านบัญญัติขึ้นมาใช่ไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติห้ามดื่มน้ําเมาแล้วได้ตรัสอีกว่า พวกนักบวชดื่มสุราเมลัยกระทั่งพากันขาดสติสลบสลไลมิช่ยในะในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็เคยมีมาแล้วเช่นกันทรงนําเรื่องเก่าก่อนนั้นมาแสดงในอดีตการมีทารกคนหนึ่งกําเนิดในตระกูลอุทิตเจพรามคําว่าอุทิจเพรามไม่ได้แปลแปลว่าชื่อคนไม่ได้แปลว่าชื่อตระกูลอุทิตเจพรามนี่แปลว่าพรามที่มี ฐานะบีตระกูลสูงอยู่ในแคว้นกาสีครั้นเติบโตเจริญวัยแล้วนาะทาลกคนนี้ปารถนาพ้นออกจากกรามจึงไปบวชเป็นลือศีนะเนี่ยพอเจริญวัยขึ้นมาแล้วก็สแสดงว่าอันนี้สะสมนะบุญบารมีเอไว้อนาะทิตย์เดียวทางเดียวเลยโตขึ้นมาหน่อยก็เอาเลยอยากออกบวชจึงไปบวชเป็นลือศีพำนักอยู่ในป่าหิมพาน บำเพ็ญเพียรกับท่านได้อภิญญาได้อภิญญาก็คือเนี่ยได้คุณวิเศษนะได้ความรู้อันยิ่งได้อภิญญาและสมาบัติสมาบัตินี่ก็คือสภาวัจิตที่มันนิ่งที่มันสงบที่มันปณนีตพูดง่ายๆว่าทําชาญได้นะ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกได้สมาบัติมีอันเตวาศิทธ์แวดล้อมเป็นบริวารถึง500อันเตวาสิทธ์หมายถึง ลูกศิษย์พอนจาไว้นะเดี๋ยวบางทีสมณพูดหรือพ่อสั่นเทศมานะบอกว่าเนี่ยใครเป็นอ e ันเตวาสิษบ้างให้รู้นะหมายถึงมาออลูกศิษย์ลูกศิษ ย, ย์ใครจะเป็นลูกศิษย์บ้างนะปรากฏว่ามีลูกศิษย์อยู่ห้าร้อคันถึงฤดูฝนเหล่าลูกศิษย์พากันขอขอกับอาจารย์ของตนว่าท่านอาจารย์ครับ พวกผมขอออกจากป่านี้จาริกสู่ชนบทและพระนครเพื่อฝึกฝนตนแล้วค่อยกลับมาฤษีผู้เป็นอาจารย์ก็อนุญาตว่าจงไปเถิดแต่เราจะคอยอยู่ในที่นี้แหละเมื่อรฤดูฝนผ่านไปแล้วจงพากันกลับมาหาเราคือปรากฏว่าพวกลูกศิษย์อยากจะจาริกนะอยากจะไปที่อื่นแต่อาจารย์ไม่ไปอาจารย์ยังยืนอยู่ที่ป่าหิมพาน บรรดาลูกศิษย์จึงกราบลาอาจารย์ออกจากป่ามุ่งสู่พระนครพราราณสีแล้วไปพักอยู่ในพระราชอุทยานทุกเช้าจะออกพิกขาจาร์เข้าไปสู่พระนครพิกขาจาร์ของพวกฤาษีถ้าเปรียบกับพระก็คือเออเหมือนกับพระไปบินธบาทนั่นเองนะไปบินทบาทเข้าสู่พระนครชาวพระนครพากันชื่นชม อาการอันหน้าเรื่อมใสของหมู่ฤาษีจึงถวายอาหารอันปนนิดมากมายเพียงแค่ไม่กี่วันผ่านไปก็มีผู้คนไปกราบทูลให้พระราชาแห่งพระนครพระนาศีทรงทราบขอเดชะมีฤาษีประมาณ500ตนจากบาหิมพนินาลมาพำนักอยู่ในพระราชอุทยานเป็นผู้มีตบะแก่กล้ามีอินทรีอัญชนะแล้วอย่างเยี่ยม มีศีลสมบูรณ์พระเจ้าข่ามีตะบะก็คืออะไรนะความตั้งใจความเพียงความอะไรก็กแล้วแต่แหละนะที่เราเนี่ยจะตัวประเด็นสาคัญอยู่ตรงนี้คือจะเผากิเลสทิ้งจะเผากิเลสทิ้งตรงนี้เป็นประเด็นสาคัญมันจะเป็นความตั้งใจจะเป็นความเพ่งเพียนนะที่จะเผากิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าตะบะเสร็จแล้วกันเนี่ ย, ยแหมก็ยกย่องว่าโหมีตะบะแก่กล้า มีอินทรีอัญชนะแล้วอินทรีคื อ, อากายหรือใจเนี่ยเราเรียกว่าอินทรีพระราชาทรงสดับคุณของฤาษีเหล่านั้นแล้วทรงปิติยินดียิ่งนักรีบเสด็จสู่อุทยานของพระองค์ทันทีครั้นได้นำมสการและปฏิสันฐานหมู่ฤาษีแล้วก็นิมนต์ให้พักอยู่ในพระราชอุทยานตลอดฤดูฝนและนิมนต์ให้ไปชันอาหารอันประณีต ที่พระราชวังทุกๆวันอยู่มาวันหนึ่งในพระนครมีงานนักขัตฤกษ์เรียกว่าสุลานักขสัตริย์รู้เลยนะสุลานักขสัตริย์หมายถึงงานนี้เกี่ยวกับแหละโอ้โหเกี่ยวกับสุลาแล้วนะพากันลื่นเลิอนกันในการดื่มสุลาแม้พระราชาก็ทรงตำหนิว่าหมูลฤษีอันเป็นที่เคารพของเราคงจะหาสุลาดื่มได้ยาก ดังนั้นจึงรับสั่งให้ถวายสุราอย่างดีเป็นอันมากส่งไปที่พระราชอุทยานหรือสีทั้งหลายก็พากันดื่มสุราจนบืนเมาขาดสติบางพวกก็ลุกขึ้นฟ้อนรำเอาละเริ่มแล้วบางพวกก็ขับร้องแล้วในที่สุดก็หมดสติสลบสลายนอนกันกลาดเกือนเรี่ยราดไปทั่วบริเวณเสร็จ นะเก่งแค่ไหนก็เสร็จเช้ารุ่งขึ้นพอสางเมาตื่นขึ้นมีสติดีแล้วตางก็ได้สำนึกในอาการวิปริตของพวกตนรู้สึกทั้งอับอายทั้งเสียใจถึงกับร้องไห้คล่ำครวญกล่าวแก่กันและกันว่าพวกเราก็ทำกิจอันไม่ควรแก่พูดบำเพ็ญตะบะเลยยังดีนะรู้ตัวพวกเราไม่ได้อยู่กับอาจารย์ จึงได้กระทากรรมอันเลวซามถึงเพียงนี้เพราะนันเนี่ยแหละพวกที่ไม่แข็งพวกที่ไม่แก่กล้าจริงไม่สามารถรู้ผิดรู้ถูกรู้ความเหมาะสมจริงเนี่ยนะพอไม่จะอยู่กับอาจารย์เนี่ยมักจะบางทีคิดผิดพลาดหรือตัดสินอะไรไปผิดพลาดทำให้ตัวเองเนี่ยต้องต้องพลาดพลั้งไปได้รือศีทั้งหมดจึงตกลงใจพระจากอุทยานนั้นทันที เดินทางกลับคืนสู่หิมม า, านนะสู่ป่าหิมภ า, านขั้นพอได้พบกับอาจารย์ก็ตรงเข้ากราบไหว้กระทำความเคารพอาจารย์ก็ปฏิสันถานทักทายลูกศิษย์ว่าท่านทั้งหลายไม่ลำบากด้วยของขบเคี้ยวอยู่สบายในถิ่นที่ไปพำนักอยู่หรือไม่และยังอยู่ด้วยกันอย่างสมัครสมานสามัคคีกันดีอยู่หรือด้วยสำนึกระอายแก่ใจ บรรดาลูกศิษย์จึงสารภาพต่ออาจารย์ว่าอาจารย์ครับอาหารขบฉันและที่หลับนอนพวกผมอยู่กันได้สบายดีแต่ทว่าพวกผมพากันดื่มในสิ่งที่ไม่ควรดื่มเป็นน้ำสุราที่ทําให้มึนเมาเสียสติบ้างก็ฟ้อนรําบ้างก็ขับร้องบ้างก็ร้องไห้ท่านอาจารย์ไม่ได้เห็นพวกผมกระโดดโลดเต้นเป็นเสมือนพวกวานอนเลยทีเดียว สารภาพแบบเต็มที่คืออันนี้เป็นสิ่งอย่างหนึ่งนะถ้าสารภาพความผิดของตัวเองเนี่ยอันนี้พระเจ้าท่านแนะนําเลยท่านสอนเลยถ้าสารภาพความผิดของตัวเองเนี่ยให้สารภาพให้เต็มที่ <laughs> อันนี้เป็นคําสอนของพระเจ้าเลยแต่ถ้าจะไปสารภาพความผิดของคนอื่นเป็นไงสารภาพไน้อยหน่อย ไม่ต้องเอามากเอาแค่ได้น้อยพออันนี้เป็นคําสอนเลยนะเพราะอันนี้จําไว้เพราะกิเลสของคนเราจริงๆเนี่ยเวลาพูดถึงความผิดของตัวเองจะพูดน้อยนี่คือคือกิเลส ข, ของเราแต่พอพูดถึงความผิดของคนอื่นจะพูดมากเพราะคุณจําไว้ถ้าใครเนี่ยจับกิเลสตัวนี้ไม่ทันจะเผล อ, อยังงี้อยู่เรื่อยแต่ถ้าคุณจับกิเลสคุณทันคุณจะ มีสติเขจะรู้ตัวเขจะเตือนเฮ้ยตอนนี้พูดถึงความผิดของคนอื่นเขานะเพราะนั้นมันจะประมาณจะไม่พูดให้ให้ให้ให้เยอะให้เท่ากับที่เขาทําจริงๆริงจะไม่พูดนี่คือสติของผู้พูดนั้นจะรู้แล้วพอพูดถึงความผิดของตัวเองถ้าคนนั้นมีสติอยู่จะรู้ว่าต้องพูดให้เต็มที่เลยต้องพูดให้สุดเลยที่เราผิดมาจริงเปิดเผยมันจะได้เกลี้ยง เพราะว่าถ้าคุณเปิดเผยหมดแล้วนะคุณไม่เหลืออะไรไว้นะมันเหมือนกับสารภาพบาปไปหมดแล้วอ่ะาะามันจะคลายใจไปได้เลยแล้วมันจะจบเลยถ้าจะอายหรือจะโดนดุจะโดนว่ามันก็คราวนั้นคราวเดียวแหลอะอมันก็ จ, จบแต่วันหลังเนี่ยถ้าเขามารู้อีกนะอ่าไอ้นี่หมกเม็ดเอาไวน้นี่ยังไม่ยอมวันหลังเขารู้อีกเขาก็ต้องว่าต่ออีกอเพราะฉะนั้นเอาเลยทีเดียวให้จบทำไมผู้จิจเจ้าถึงต้องให ภิกษุเนี่ยมันปงอาบัติหละคือทําความผิดของตัวเองเนี่ยให้ตกล่วงไปให้ตกล่วงไปเสมอเสมอทุกๆปากทุกๆปาก2 อ, อาทิตย์เนี่ยเอาต้องให้บริสุทธิ์นะส อ, อาทิตย์ต้องให้บริสุทธิ์นะจะได้ไม่สะสมไม่หมักหมมความผิดความเลวความชั่วอะไรของตัวเองเอาไว้หรือแม้แต่กิเลสเราจะได้ไม่ไปห ม, มักหมมเอาไว้จะได้พยายามนะทำออกไปทําออกไปเราจะได้บริสุทธิ์ แล้วเราก็จะได้ดีขึ้นจเจริญขึ้นเนี่ยได้ไวแล้วก็ได้มากนะอันนี้เป็นวิธีการที่จะต้องเอาไปใช้จริงๆในชีวิตถ้าใครใช้ได้จะเห็นผลเลยว่าเอ้ยเราเปลี่ยนแปลงได้ไวมากเลยเอ่าแลจะดีเร็วเสร็จแล้วตอนนี้ก็พวกลูกศิษย์ก็สา ร, รภาพเต็มที่เลยนะขนาดเปรียบเลยนะเปรียบตัวเองว่าโอ้โหตอนนั้นยังกระโดดโลดเต้นอย่างกระลิงเลยอ่ะนะอืม ฤศีผู้เป็นอาจารย์ได้ฟังเช่นนั้นก็อบรมตำหนิเหล่าศิษย์ของตนด้วยความเมตตาว่านี่แหละขึ้นชื่อว่าลูกศิษย์ที่เหินห่างจากการอยู่กับครูย่อมเกิดโทษเช่นนี้ได้ทั้งนั้นพวกท่านจงสำนึกตัวเถิดแล้วอย่ากระทําชั่วเช่นนี้อีกต่อไปอันนี้อาจารย์เตือนสติเลยบอกนี่แหละระวังยิ่งห่างไกลจากครูบาอาจารย์ต้องระวังให้มาก พราบอกแล้วว่ามันโอกาสจะพลาดพังมีเยอะวันเรามีพี่เรามีพ่อเรามีครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเราอยู่กับครูบาอาจารย์บางทีเรากลัวใช่ไหมเราไม่กล้าทําผิดเยอกลัวโดนดุกลัวโดนว่ า, าแต่ไม่มีใครเนี่ยพูดไง่ายไม่มีใครสูงกับเราอ่ะนะไม่ใช่ส่วนสูงนะอไม่มีใครอะไรอฐานะสูงกับเราอย่างเงี้ยบางทีเราไม่กลัว เราจะกล้าเอกิเลต น, นะมันจะบางทีมันจะบอกโหออกโชว์ตัวนั้นตัวนี้ออกมามันจะต้องระวังนะอย่าปล่อยอกิเลตออกมาพระาศาสด า, าตัดแสดงชาดกนี้แล้วทรงเฉลยว่ามูฤาษีในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทของเราในบัดนี้ส่วนฤาษีผู้เป็นอาจารย์ได้มาเป็นเราตถาคตนี้เองนะเพรา ะ, ะจากเรื่องเนี้ยเราจะเห็นได้ว่า นะอย่างแรกดูภาษาคตัดจริงๆแล้วโอ้โหอะไรนี่เก่งนะแต่เก่งทางโลกีบอกแล้วไม่มีความหมายนะควรจะเก่งทางโลกุตระแต่แม้เก่งทางโลกีคุณดูที่เสื่อมง่ายเพราะทางโลกีเนี่ยพ่อพ่อท่านบอกเลยเสื่อมง่ายอ่าแต่ถ้าคุณได้ทางโลกุตระนะคุณได้เป็นโสดาบันจริงคุณได้เป็นสักกิทาคามีจริง คุณไม่มีตกต่ําอีกเป็นธรรมดาเลยจะไม่มีย้อนถอยลงไปจะไม่มีถ้าคุณได้จริงนะทางโลกุตละแต่ถ้าทางโลกีเนี่ยต่อให้คุณได้จริงด้วยก็ยังจะเสื่อมลงไปได้ทางโลกียะทั้งทั้งที่คุณได้จริงอะ่ะแต่ถ้าเป็นโลกุตละคุณได้จริงแล้วไม่มีถอยถอยหลังกลับไปอีก แค่โสดาบันเท่านั้นเองถ้าคุณได้จริงก็ไม่ถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากอันนี้เนี่ยนะตัวอย่างของภาษากตะนี่จะชัดมากวันตอนนี้ความมืนเมาไม่จําเป็นต้องแปลว่าเหล้าสุราอะไรพวกนี้ชนนั้นเองอะไรก็ได้ที่มันทําให้คุณเมาได้จะหนังละครจะเพลงการอะไรต่างๆที่ทําให้คุณเมาได้นะ เพราะนั้นเรารู้แล้วว่าอันนี้ไม่เหมาะกับเราเราเสพแล้วเราไปใช้แล้วทำให้เราเมาทำให้เราขาดสติทำให้เราไปทำร้ายหรือไปไปทำเลวรู้ละโอ้โหไอสิ่งนี้นี่ก็คือความเมาหรือว่าเป็นของหมื่นเมาเหมือนกันวันพอเรารู้แล้วนี่อ้าวคุณมีสติคุณจะไปทำทำไมแล้วคุณอย่าไปทำสิ พยายามแล้วเว้นออกมาเพราะถ้าคุณไปทําคุณก็จะเป็นเหมือนกับภาษาคตะซึ่งตอนนั้นแหละไม่เคารพพระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นน่ะไม่เคารพพระพุทธเจ้าแล้วทั้งทั้งที่ถ้าถ้าปกติมีสติดีอยู่ใช่ไหมเคารพพระพุทธเจ้าแต่พอขาดสติเนี่ยคุณไปเมาอะไรก็แล้วแต่พอคุณขาดสติแล้วคุณไม่เคารพแล้วพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าคุณจะขาดความเป็นพุทธะแล้วพเพราะพอคุณขาดความเป็นพุทธะเนี่ย คุณจะปิดสีนข้อไหนคุณก็ปิดได้ทั้งนั้นแหะคุณจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ได้คุณจะขโมยก็ได้คุณจะโกหกก็ได้คุณจะไปปิดศีนข้อสามก็ได้อ่คุณจะไปปิดศีลข้อห้าใบมุกอะไรต่างๆคุณทําได้หมดอะถ้าคุณขาดสติเพราะฉะนั้นศีลทุกข้อเนี่ยคุณขาดสติคุณทําได้หมดเพราะนั้นสินทุกข้อนั้นมีผลเป็นวิบากกรรมเราทุกข้อมีผลได้ทั้งนั้นเลย เนั้นนั้นอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้พยายามนันในข้อนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสติเนี่ยมากว่าอย่าทําอะไรให้ขาดสติแต่ตอนนี้อยู่ดีเนี่ยมันไม่ขาดเองบางทีมันมีเหตุใช่ไหมในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องของวัตถุในเรื่องของน้ำน้ำเมาอ่านะมันมันยังเห็นชัดมันเห็นง่ายแล้วสิ่งที่เราเนี่ย ไม่ไม่ได้ไปหลงไม่ได้ไปติดอยู่แล้วไอ้เรื่องนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหากับเราแต่ให้เราไปสารวจดูว่าเรื่องไหนที่เราติดเราหลงเราชอบอยู่แล้วก็ทําให้เราเนี่ยมันพร้อมอะ่ะพร้อมที่จะเมาพร้อมที่จะเลวไประ ล, ลึกดูถ้าระลึกได้เนี่ยเรื่องนั้นๆคุณยิ่งต้องระวังให้หนักนะถ้าเราเราเราระวังได้ดีแล้วเราก็ค่อยๆล้างล้างไอ้อุปทานที่เราไปติดไปยึดไปหลงไปเมานั้นไว้ นะ้ล้างพิงไปเรื่อยล้างพิงไปเรื่อยนะความเมานั้นคุณก็จะลดลงความเมาที่เป็นอุปทานในจิตจะลดลงลดลงแล้วก็จะทําให้คนนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเมาอีกเลยเพราะว่าคุณสามารถล้างกิเลสลงไปได้เป็นโลกุตระเนี่ยคุณจะไม่กลับไปเมาอีกอาจะเป็นศี่งข้อไหนก็ตามถ้าเราล้างได้จริงแล้วเนี่ยมันก็จะออกไปจากคืออุปทา น, นนั้นนะเราก็จะตัดออกไปได้จากจิตเรา วันเมื่อมันไม่มีอุปทานไม่มีตัวยืดไม่มีตัวหลงนั้นคุณก็ไม่ต้องไปเมาเพราะสิ่งนั้นอีกนะแต่ก็ต้องทำให้เต็มที่ต้องสู้ให้เต็มที่นะเอา้าวันนี้คงฝากไว้เช่นนี้นะ